ก็มีหลายพอสมควรที่จะแจกน่าจะครบกันเป็นหนังสือธรรมะขององค์หลวงตาหนังสือเล่มนี้นะคือหลวงตาไปเยี่ยมหงวงพ่อที่วัดป่านาคำน้อยท่านไปเยี่ยมต่างกลมต่างวาระแต่หลวงพ่อก็ให้พระอัด MP3 มามอัดด้วยความกลัวมันกันพอหลวงตาเนี่ยถ้าอัดเพียวเพียวอัดต่อหน้าท่านโดยมากท่านดุ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 โอโดนขึ้นไปทั้งที่มันจะสะดวกนะเป็นจุดเป็นต่อไปหมดเลยหลวงพ่อไอเลเรเล่ห์หรือเทปูนเทไม่พอเทปูนแล้วทีนี้พระก็บอกว่าอิตัวหนอนหลวงหลวงพ่อเนี่ยจะเอาไปใส่ที่ไหนหลวงพ่อเอ้ยเอาไปเอาไปสังทางเขาไปในครัวผู้หญิงนะพอโยมผู้หญิงมีแต่คนเฒ่าคนแก่มาก็เอาไปปูท้านน้อยจะปูเรียบเรียบรอบๆคงไม่เป็นไรหรอกคงจะไม่กระโลก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 ท่านกระดาเอาดาเอาดาเอ า, าพอที่สวดท่านเหื่อยเหนื่อยแหกแหกท่านก็หยุดว่างั้นเถอะเอพอพรพอท่านหยุดแล้วก็นวดเส้นต่อไปพอนวดเจนเสร็จเรียบร้อยท่านก็ลุกขึ้นมาอ่าลุกขึ้นมาก็ฉันมา ก, ะกนะท่านใดทั้งที่ท่านจะพูดเรื่องเก่าท่านไม่พูดได้ส่โอ้โหวันนั้นพูดธรรมะอย่างเด็ดเดี่ยวมากเลยว่างั้นเถอได้ฟังธรรมะอย่างยอดเยี่ยมเลยวันนั้น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 ท่านเชืว่าทุกคัดษาสนันตลังสุขขังเ <S US S 1> มื่อทุกเมื่อต้อนมือแต่จะสบายเมื่อปลายมือแต่ต้องตรงข้ามนี้นี้เกหน้าที่นี้นะสุขคัดษาสนันตลังทุกขังเมื่อสมัยเป็นน้อยเป็นหนุ่มมีแต่เที่ยวมีแต่แต่เตรกินเหล้าเมายาสุรานารีภาชีกีฬาบัตดอันไหนที่จะสนุกส น, นาน เ, าเที่ยวเนื้อล่องไต